จึงมีการเสียพไทยพอไปเห็นาเสือสอนเจ้าดาเข้าเหมือนกันกับมีากับนางบวกเรยาีไม่มีอะไรเสยดงงนม่มีอะไรที่จะจิตใจอยากได้อีกยได้ก็นางเคือวดานางฟ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าม้ามา เจาสเทวดากับนางเ้านุ่มกตยนก็บอกว่ามืนกันกับนางลีนาข้างยายได้ไหมนางเทวดายายได้ยายได้ยืดเล้งพยายามโดยมุ่งผลภาวนาทางความเพียรเอะนะเราจะเป็นตัวประกันให้ถ่ายทำความเพีนรทางจิตทางใจจะมีหวงเนี่นางเทวดาเหล่านี้ เขาหลสีของคุให้อ่าทาความเพียรพอทาความเพียรไปเสียด้วย้ำม่าหวังตังใจอยาดนางเสกระดาคนนั้นเยอะงนท่านทาความเพียรเสียแดดเยนนางเสืระดาไม่เคยทำความเพียรเสีรที่หนึคนนั้นเยอะคนนม่ยันถึงเป็นพระเดือกันท่านก็ต้องเิกได้ แล้วเล็กได้อเอ่ยเบี่ยงเบี้ดของใจแต่ก่อนแล้วก็รักใครชอบพอนะคนนั่งรถกระยานีเมืม่อไปตกในเทวดาก็ปล่อยชิ้นได้ในจิตใจยังดีอะไรกนไหมคนบั่งถกระยาณีไม่ชอบตกเทวดาจิตใจมัมนยาวแาล้วงเกิถ้าเหวี่ยงอยงอื่นที่สวยกว่เทวดามันก็จะไปชอบอีกจิตอี ก, อ ก, อก ได้จับผิดเต็นจิตใจท้องตัวและอายใจในไข้คิดไปในทางกามอารมณ์สังวรระวังจิตทีนี้จิตจะเรมาอาสุภาอาสุพังที่จะมาธรรมะหนาเหน่งเข้าไปเหนใจหลุดลอยออกไปสู่อารมณ์หายหนอกผลที่สุดก็ได้ตัดาดสู้ เป็นอรหรันต์พระพุทจากประสงค์ต่างเอตตะาคา่ะว่าเป็นผู้ที่มียิ่งสีสงวนคือผู้ละวังจิตใจดีเยนกว่าทุกเอวทาา่าจับได้เราก็พอจับได้เหมือนกันทางเราจะจับกิตของขจิตใจโดยจิตใจเท่านั้นเนี่ยมันทำให้คนเป็นทุกข์ทำให้คนหลุ่มหลงทําให้คน เปิดเผยวางให้เสียใจเข้าใจต่างๆมีทางที่ใจจับผิดและแก จ, จ, จิตใจควบตัวได้ทางจับผิดจับถูกกงจิตกล้องใจก็ไม่ทราบว่าจะเปนปฏิบัติที่ไหนแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอะไรเรืองการปฏิบัติทำหรือไม่ก็คือปฏิบัติดูยังจิตใจควบตัวแก้ไขชั่วบำเพ็ญดี นอนเดียวกับเรือเราจะสร้างเสาจนไปถึงที่สุดเป็นเรือลบทืออ่อใดจิตจะไม่อาศัยใ น, นความดีความชั่วเหมือ น, นถึงฝั่งแล้วใครล เ, เล่าจะได้แบกเรือก็ทิ้งเรียเลยถ้าทิเรือป่อยตามน้าไปทางนั้นทางเราจะไม่กลับมาอีกแต่ฝั่งของจิตฝั่งของโลก มันไม่กลับไปอีกถ้าไปถึงก็ทราบดีอยู่แล้วจะปิดดีปิดช่วยอีกจนไปไม่ได้ถ้าถึงที่สุดมีมรถยิงกังตัวองเัวยสภาพเองไม่ต้องไปถามคนอืน่นสำนักการาปฏิบัติใจในว่าจะหน่วยพุทการแลือจะหน่วจรบาจึงจเป็นของทุกท่านที่มีวิเลจะต้องปริปฏิบัต ไม่ใช่ยากงแต่เฉพาะเราคนอื่นก็ยากทำคนา่าความเพียรจนเท้าแตกจนตาแตกก็เคยมีเราเป็นขนาดไหนจิตใจเด็นยุวะว่าสนามไม่มีเต็นเหนื่อยไปจยุดใจมันดุดึงกว่าที่ทำพอเสียเหนื่อยได้เท่นั้นเหนื่อยทำจินทําจมันจริงไม่เห็นหมนเป็นไม่รู้ นสตัวย bon, <c ười> <m> ้อนเสียสลามสุขส่วนน้หาความสุขนใต่างใจจรงจังทุกคนจะต้องเหมือนวยใาตมะเห็นว่าพอคเวลายติคทีขเรา แต่หเหเลื่อนเ่าเดิมเนาะแปลว่ถ้าเลื่อนอ <S <S เอนาะตรงนี้นจะเป็สากค่ะรักเสียที่สุดทับไกลต ร, ง, ร, ง, รงนี้ไม่กลัวเป็นหาเป็นกันเลยเวลาื่อนเลื่อนี้เฮ้ยทเวลาหมดคืนแต่พอเม่ราจุดไปห้มั่งเจ้าดเจ้าจุดไปให ด่าใจน้องแนน้ององค์มันก้าวีกแบบแล้วเมก็ล้วเมียีนเราใช้เยอะยังต้นเมียเป็นหมอม่หรอกแต่รักษาผู้คนทุกชนิดตื่นขี้องคนหุ่นอคนเหื่อแกหนาวตึบๆเป็นกุ้งเหวินนะส้เางกูดาวใจกันยงดูบาง่ัง่ ยาตัินใจไปเรื่อยกดหน่อยต้องดหนอยอีกอะได้งเสียทั้งเสียไปเรื่อยต็มเลยนะแต่ถ้าเป็นใจไปหน่อจะโกงชินคนอื่นเป็นหมอเป็นกรรลายอย่างโกงเป็นหมอคนอย่ามาางเราก็เลยตีโจมาไ่ว่าหมอเวียกดหนอยกใจยสื่าทเต็มบ่อ ต้นเขาิใบต้นน้ักษาเข้าขายเล็กใหญขาขายที่มาดายกงตลาดมาดาที่เขาขายตัวไปเงินมึงเจงมื่ี้ต่างเขาขาหลายบท่านีก็คต่าเมที่ตันหัวตังชิดใจเน้กหาัิดใจเื่อชุดนีได้นะ การดันมันก็เลี้ยงไม่ไดจจังยานเลก็ปวดเท่าโอ้ยเกี่ยวกองหลบกองโขกองหลงนั่งเมาด้วมีวันเดีวล่ามันจิไเลยจิเบือสมายอย่างี้จต่างกรรมทา้งเสื่อเรื่อยไปก็รักษาทางีมากเลยไม่สไม่ต้องคิดเปนจิเป็นทจเป็นเถศหลังับโอ่ไหลเ่ัเป็นหลังลอก็เหน ใส่อ่ขี้ตอนนี้บนมีแ่เงีนยผลขิงดัดใสรเป็น้าวราดอยาเดินกว่านี้บ้านหาผมได้เลยนะอยากไม่กินบ้านหาข้วไปไปขนจีบจีบีขาวตั้ตเรียงกับเฮ้ยเก่นผู้ดีสอบขั้วขึ้นไงจะอยู่เป้าทำ นะบได้ยนมีตามฮะลวลดเวลาจนค่าจนเหนื่อยจนเขาก่งบ็ได้เนี่ยมาลดไปข่องไปอะไรอยู่ือเตนท่าเลยม่เกิเขายปลยความเห็นของคเป็นยี่ยง จิตของเราสงบทำใม่เขาไปสู่จิตใจ้างกลม่มเสี้ยนที่เรามานั่งหลับแล้วตังแล้วจิตเราเข้าที่สงบทำคำสอนของพุทธเจ้าจิตหนึ่งหมส่วนใหญ่ก็คือสอนให้สงบการสงบเป็นทางนำมาสู่คางสุข เป็นสิ่ที่ทุกท่านต่างๆารอย่างความสงบทางด้านกายอย่างความสงบทางด้านใจความสงบทางด้านกายตับไตของเราไม่มีโรคภัยไหนาวอะไรมีความสงบจากโรค้ายต่างๆเราจะเดินเหินไปที่ไหนก็ข้องสบาย จะหลับจะนอนก็สบายจะทําการทํางานก็ได้นีรู้กายสงบแต่หวใครใครหนาหาใจมันสงบเกิดเจ็บปวดที่ไหนที่หนึ่งขึ้นจะเป็นแข็งเป็นหาอายุวัฒน์ส่วนใดต่อตางมันเป็นหนึ่งทิ้งกันทําเห้ไม่สะดวกทาให้ขัดข้องหรืว่าจะเดินจะเห็นจะนั่งจะนอน จะยิ่งจะดุลเป็นทุกข์ลำบากหรื่องของใจไม่สงบกว่าทำการทำงานอะไรไม่ได้ไม่มีความสุขความสบายเรื่องของจิตไม่สงบจะช่นเดียวกันการทาจิ ต, ตให้สงบก็ก ต, นนต้องมีสติระวังรักษาไม่ให้จิตคิดซึนโนทางอื่น ควางนอกทางชั่วโดยคนใหญ่ครูอาจารย์ที่ท่านเคยปฏิบัติมาเคยแนะนําสั่งสอนพวกสามสิบด้วยการบริกรรมหรือการกําหนดลมเราต้อจใช้ใของเราทางกพกำหนดลงลงนี้มอยู่ทุกเวลาไม่ว่าเราจะหลับจะตื่นไม่ว่า สีเล็บด๊ดงหรมสาวเท่าแฉดกว่าอะไรวะหรือที่ตุผาเนมถึงควรจะกำหนดเอาได้ขอทางไมมีลมหายใจเราเรียกวคนตายคนถึงยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมอยู่ลมไม่ใส่เรื่องของคิเหตุกาหาลมไม่ใส่เรื่องของสื่มทรามมร เอาสติไปเก็ต่อกำหนดอยในลมเข่าลมออกท้องตนจะกำหนดที่ลมสัมผัสอย่างตาจะหนูกก็ได้หรือก็กำหนดเสียงลึกลงไปเป็น ท, ท้องตป็นอก็ได้จะให้ตั้งใจกำหนดอยู่ในที่เดียวมันออกมันเข้า สัญญาอย่างไรในตังใจกำหนดอย่นั้นสิทธิกรรมถนัดทางการบวิลกรรมก็กำหนดบทพุทโธธรรมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งหรือเจาะาโลมานาขาทางตาตะเจโอกระดักกำหนดให้ใจมันดูมันสัมผัสกับธรรมวิลกรรมสองต้องเมื่อจิตได้สัมผัสกับสิ่งใดสิ่หนึ่ง ในท้องเที่ยบเรืเสวะหยิดพักหยุดหยุดจนสัมผัสเข้าสัมผัสเข้าเราหด่อยไปตามสัญญาอารมณ์ที่เกิดขุดขึ้นหรือผ่านมาหยุดจะสงบระ ง, งับหยุดสงบเพือหยุดจอยวางเวทนสญญาสัญญาความปิตกความทูกต่างๆ สึ่งเคยมีอยู่ในกายในจิตความจดจำมั่นหมายต่างๆสิ่งเป็นอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันป็นอยู่ตลอดอนาคตที่คาดฝันปต่องมีในความสงบในความเหวี่ยของใจใจจะต้องเป็ น, ป น, นมึงนง่นแม่อยู่อย่างนั้น ไม่ได้คาบหมายว่าเราอยู่ที่ใดนั่งอย่างไรทำอะไรความห ม, า, มายของปุถานนอกดับไปหมดไปมีชีิใตใจสงบถึงขัน้นถึงที่โดยใจมันเป็น อ, อย่างนั้นตลอดเวลานั่นก็มีการซ้นคิบจิตผ่องกับสัญญาอารมณ์อะไรหนาว ขนาดไหนมันก็ไม่รู้สึกร้อนขนาดไหนมันก็ไม่รู้สึกจะนั่งนานขนาดไหนมันก็ไม่รู้สึกอีกเหมือนกันเข้าไใจมันไม่ออกมาเกี่ยวข้องก็เป็นยาภายนอกก็เวทนาภายนอก่คือจิตสงบจิตสงบเป็นของผิดแปบอจจจัศจรรย์ทุกคนที่เห็นผลจากความสงบของตน ยิ่งเชื่อมั่นว่าความสงบนั้นเป็นของสิมีคุณค่าราคาสูงจะหาดูหาซื้อตามร้าคาต่างๆหรือตามสถานที่ต่างๆจะวิ่งไปหาจนขาขาก็ไม่มีวันเวลาที่จะเจอก็มีเงินสงล้านไปหาจ้างดูที่ไหนก็ไม่ไปดูอีกไปดูก็เหนื่อยเพราะคุณเหล่านี้ เมื่อเห็นเดือดตาจะเห็นเดือดใจคือากางกระทั่งการบำเพ็ญของตนเมื่อเห็นเมื่อเป็นภายในใจจะเชื่อแต่ความสุขความสบายความปลอดของอาจทำเป็นของอาจใจจันอย่างนี้มีจิตเลื่อมใสเติมใจมีศรัทธาก้าดากอยากจะทำการภาวนาการละกิเล การทำความสงบพอความสุกที่เราเห็นเราเป็นนั้นผมมันจะถอนออกมาต่สัญญ า, าตามจำได้ว่ามันเคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันหนมึนลืมอยู่ในจิตในใจทั้งตนเข้าใจพับเยนเล็นประแลระยะที่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นต่นันถอดมันถอนออกมามันไมเป็นอีก จะมีความอยากมีความต้องการแต่เมื่อมีความยากความต้องการจะเอาจิตไปไมั่นหมายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นไปอยู่ไม่ได้มันจะต้องเป็นของมันเองอยากจิตของเราจะทําอย่างไรก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นเราทําอย่างไรงก็ทำอย่างนั้นกําหนดจิตกําหนดใจจะกำหนดลม กำหมดทบริกรรมก็หมดอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นผลเกิดขึ้นจากการกระทําข้องตนเหมือนเไม้ต่างๆหน้าที่ของปูรักษาหน้าที่ของเจ้าของเศษจจะต้องบำรุงด้วยน้ำดื่มปต่างๆดูแลรักษาจะไปบังคับบังาให้หนักผลมันตอกดอกออกผลนี้โดยนี้ มันเติมไปไม่ได้ถัดไปบังคับอยู่อย่างนั้นพอมาดูรารำต้นของมันมันต้องการน้ำหรือต้องการฝุอนอะไรไม่เดี๋ยวใจใส่นี่จะอยาบังคับให้ดอกของมันออกคนนั้นเกาะไม่มีทางที่จะบังคับได้และเปนไม้พืชเขารักษาให้ดูอยู่นั้นก่อนันบางทีจะเหน่อยแห้งไปเพราะ ห้าเหมวอนมีหัวเหมือนมีเป็นอาหารช่องมันช้ำใบจิตใจั้งพวกเราทั้นักภาวนานักไา้กิเลสกว่าทํานนั้อย่าไปคิดต่าสังขาดหมายว่ามันถูกอย่างนั้นมันฝุกอย่างนี้ขานั้นขานี้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นตตจิตปัจจุบันมันไปทำตามทำงานไปหาจิดความสงบหรือไม่หรือมัน หากไหนคนเดาเอาความสงบเก่ามาเป็นอารมณ์แต่ตัวเปจุดังมันเลยอยู่ๆในความสงบอะไรที่จะคิดจะตึงจะอยากจะการจะทำหมีเหมือนกันกับคนคิดถึงการรับทานขบขันว่าทานนั้นอา่อยอร่อยอาหารมากมายหลายอย่างเยอะเกลือ คิดไปเท่าไรความอิ่มหน ำ, ำําราญม่นเกิดขึ้นเขาคิดไปถึงของเก่าของอดีตที่ผ่านมาหน้าที่จะให้มันอิน่มหนำสาราญอย่างไรมีอาหารเราทานลงไปสันลงไปในปากในคอของเราความอิ่มเราต้องบอกบังคับเราต้องอิ่มอย่างนั้นอิ่มอย่างนี้ถ้าหากเร า, <c oughs> าเอาไปใส่ปากใส่ท้องของเราแล้ว ควอิ่มจะปรากฏขึ้นเองในการภาวนาการทำสมาธิกับทำนองเดียวกันทากันจะทำบำเพ็ญพอทำความบริบูรเจ้าไม่เลือกบุกคนขาดชั่งวันนะแต่เป็นพระเป็เมรุหรือพระลาวแต่ทำบำเพ็ญได้เหมือนกันคือจะทำบำเพ็ญได้จะเห็น จะรู้ความสุขความสบายของจิตของใจที่เราเชื่อหาความสุขภายนอกเคยหากันมาระยะยาวนานจนบางขั้นบางคนกว่ามีอายุผ่าน้นไปจากต่างคนไปแล้วเลยเข้าไปสู่จิตจะหมดจะสิ้นถ้าเป็นเรืองก็ลรงไปจน เพื่อนจะข้ามอะดับจะรับไปแล้วถ้าเป็นตะวันตกบ่ายจะหลายโมงแล้วจะหาความสุ่ความสบายในทางทางออกเราจะพบเห็นฝุ่นกับฝุ่นระยะเวลาสั้นที่จิตใจเราชอบแล้วก็มีแต่ทุกข์ทับถมจนตมตีเรื่อยมา นี่เป็นเรื่องความสุขภัยหน่อเป็นอย่างนั้นทุกท่านที่หลงกันก็คือหลงสุขภัยนอกพื่อได้ถึงหลงสุขภายนอกพราะเราเคยเจอความสุขภายในไม่เคยเจอใจสงบไม่เคยเจออัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเจอตัณหาเรื่องของที่นปัญหาชอบพอเรื่องอะไรก็ยิ่งไปตามเรื่องอย่างนั้น ล้วก็ถือฝึกกันเช่นถือฝึกในรูปที่เราเห็นเป็นต้นรูปที่เ้าชอบเราเห็นยีเรศปัญหาเบ่งท้องใจไม่ใช่ว่าจะคงต้นคงว่าชอบพอในจิตในใจในระยะ่ฉลี่ยแต่เดียว มันจะเลี้ยงโดเชียโดชาบเรื่องใหม่ถ้าจะยึดตามเรื่องให้มันก็ได้ทำสักทีเสียงเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นม่นหลอกเรงเรื่องของใจอยู่เสมอไปใจจึงมีที่เกาะที่อาศัยใจจึงเป็นทุกข์เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นคนที่อยู่บดดเดี่ยวคนเดียว แทนที่จะสงบสมายเรื่อยไม่ยุน่นยากเกี่ข้องกับผู้คนอือ่นๆไม่รับผิดชอบอะไรจะมีความสุขใจสุขกายแทนที่จะเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีอาบมือทำเป็นอย่างนั้นแต่คนไม่มีอาบมือทำไม่เป็นอย่างนั้นอยู่คนเดียวก็อยูไม่ได้ไ คิดลึงอยากจะมีครอบครัวเพืนฝงยเป็นคาราวาอยู่คนเดียวก็ไปเกิดที่ไหนก็จะโดดกายสบายใจในเฮีงใหญ่ครอบครัวจะไอยู่ไม่ได้อยากจะมีครอบครัวมีผัวมีเมียกันมีในแล้วจน็นสุดก็สุดสิ้นในเมืองระยะมันอยากแต่เมืองมันหายยากทุก ลัมบกมันตามมามีผัวกับเขาจิเขาใจมีเนื้กับม้าหาความสุขความะบายไม่ได้เกิดทะเละบาไหวกันติดเถียงกันเป็นไปต่างๆนานาอย่าร่างกันก่อนนับไม่วกนี่คือความสุขของโลกมันเป็นอย่างนั้นเพราะความสุข จากกิเลสตัญหาความสึกจากความหลงในใ่ความสึกจากความรู้ที่แท้จรพระพุทธเจ้าท่านที่นี้ที่เจมามาเพียงพอถ้าจริงนะแม่สอนโลกหลักความฝึกส่วนนี้ไม่ว่าตัวมนุษย์ตัดตัวเล็กๆนักงกูกรุกได้มีขู่ความเข้ามาความสุกส่วนนี้ในใ่สึกอัดสุดจเป็นสุกของกิเลส ส่นทุกมาให้เมื่อปายทางต่มามีลูกมีหลานเกิดขึ้นก็ทุกไปถึงลูกถึงหลานมีบ้านมีช่งมีเข่มขามีของก็ทุกไปเรืจจ่อยไปพอใจกาะไปอาศัยใครมาแต่ต้องเรื่องเกินผิดเลกเกิดทุกถบเผาายในใจออกมาทางราชาเเด ออกมาพิกาบางทีอาจขาที่กันก็ได้เพราะกิเลสภายในมันมีกำลังหนาแน่นเหือความสุขที่หลอกหลงหลงคือสุขที่เกียดไปด้วยทุกข์สุขเหมือนยาดุษเสวหน้ำตาลมีรสภายนอกหวานแต่ภายในเป็นพิษ จิตของพวกเราที่ล่มลงในโลกกวทำนองนั้นไม่มีใครที่จะประสบพบสุก อ, อันจริงจังหากประสบพบสุกอันจริงจังพระพุทธเจ้าหรือท่านผู้ศรัทธาหรือเราเลือดต่าส้นต่างๆเาเหล่ า, านั้นก็จ ะ, จะมีเบื่อเบื่อทุกข์อะไรสั่งชาวบ้านช่องเ ข, ข่าของมีเชียงอบริบูรณ หยนดมีอารมณ์แทน่จะมีความสุขความสบายให้ไม่เป็นอย่างนั้นมีอะไรต่ไม่แต่นำทุกมาแผละเขาจิตใจของตัวเองให้เดือดร้อนยุ่งานี่คือความสุขที่เกียด้ทุกความสุขทางศาสนาที่พระาวกาสองรัอยเศษถจึงสอนความสุขทางสงบถ้าสงบได้มันสบายสงบก็คือ ความไม่จยนวายเกี่ยวข้องจิตจะสงบจะต้องละถอนสิ่งที่จอมตามสิ่งที่เป็นพิษสิ่งใดที่เป็นพิษจิตเคยจิตข้องจะพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจในโทษของมันในความเป็นมาของมันในความไม่เที่ยงของมันในสิ่งที่มันเป็นคิมันไม่สัธคามในบ้นเ้ก เขาเปล่าตเป็นเพื่นอนใหญ่เลยไง่ไ้แต้อนเพ่อเ น, น, น, น, นเพงะหรือตัวขอตัวเองเข้าใจประจักษ์ชัดเจนอยู่ในตัวว่าพิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องมีการระเบิและเ บ, บิดแลายไม่ใช่เพียงขาดหมายว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ได้ยึเนี่ยวตั้งจากคร อ, อาจารย์ทำลาอย่างนั้นหรือตําหลับกาล สิภาวะใจ้าเป่าเป็นอย่างนั้นผาดขาไห ม, มายรืมจมาเดี๋ยวสัญาไม่มีทางที่จะเข้าถึงธรรมะทางที่จะเข้าถึงธรรมะทางที่จะละจะถอนมันเกิดขึ้นเติขึ้นจากจิตใจท่องตนที่ด็กที่เจริญเอียดเพียงยพอจิตจะต้องกล่างละถอนเข้าใจไปจากเรียนชักอย่างนั้น ทุกระยะทุกเวลาถึงมากว่ามาอาศัยในธาตุแม่ขันก็เพียงที่พักที่อาศัยสร้างคุณความดีเท่านั้นไม่ถือว่าธาตุขันอันนี้เป็นเราเป็นของของเราความเข้าใจประจากภายในมีอยู่แต่เรื่องสมมุติภายนอกจนด่างไรเขาทายกันก็พูดไปตามภาษาของโลกใจจิต แ่จะมาหลงยึดถือมั่นหมายว่าหิงวาชายว่าคนว่าสัตเป็นไปได่ได้เพราะใจมาก่อนอันนี้เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วรวมแล้วแตกสลายในนี้คอเราจะบังคับบัญชาได้หน้าทีเขอามันเป็นอย่างไรมันจะเป็นไปอย่างนั้นมีความเป็นจริงในใจเป็นอย่างนั้น มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรควรไปรักษาพยาบาลก็รักษาไปไม่ควรไปรักษาพยาบาลกับใจมันไปรักษาไว้หายระยะนี้เวลานี้ข้างหนมันก็เกิดขึ้นอีกเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นยิ่งมีใครที่จะมีอายุมันยืนเป็นหมื่นเป็นแสนปีเพราะ ล่างตาวมันมีหนาสี่เกิดขึ้นแปลเปลี่ยและแตกสลายถึงจะมียกยาขนาดไหนมีหมอมีขนาดไหนรักษาวไวเต้นไปไม่ได้ยาห่างตายหน่อยมีแต่ยาแก้โรคโอคคือแก้ได้ก็คือโรคไทยนอกที่จองเข้ามาเป็นโรคไทยในตาวคือสลา ความกลในหน้ความตายมีโลกที่ไหนนยิาที่ไห น, น, ไหนจะแก้ได้เพราะนั้นป็นหมอเองเป็นศาสตราจารย์จบมาจากประเทศไหนก็มีทางที่จะรักษาโยดาข้อเนี่ยของเขาหรือตัวของเขาให้ผ่านคนจากอริยะสัตว์เขาจะได้เจ้าไปได้โลกเขาเป็นอย่อยางไรคนนั้นเขาจะเป็นไตเนื้อตันสกุล ถ้าท่านจูบยาจะเาิดมียาที่จะแก้ไขตามแก่ความตายได้เมื่อเข้าใจประจักษ์เห็นแจ้งอย่างนั้นจิตใจของท่านคือแบบปฏิบัติยึ่งม่เรื่อนหลงมันเป็นอยู่หายไปในระยะนี้ก็มีจะได้ทำหน้าที่ความเพียรต่อไปไลยกิเลสต่อไปถ้าเกิหมดกิเลสก็อา ไปเลทำประโยชนโลกต่อไปถ้ามันยังมียึดตนรูปหายจากดารเกยวข่าโลกใ่ต่างๆถ้มันตายนีมันจะหนีเป็นทุกข์ละหาดอีกต่อไปท่านดีทั้งตนอยู่ีทั้งตายไปไม่รูอะไรที่จะเสี่อมกเสียท่านสะดวกท่านสบายาาาาใจทั้งทนหมด จิตที่จะละจะบังเทอยนจิตที่อานิสงส์ของการปฏิบัติอาจทำมีทางสึ้งสุขมีทางไะดวกสบายที่หลังตายจนมืดันต่อจริงีเหนือจันยิเจ็บกว่าการมีเพื่อจิตจิตไม่ตายกายมันตายกายยังตายก็เป็นเรื่องสมมติแต่ความจริงที่เกิดขึ้นมวจากอะไร ตายทั้งเราขาดทั้งสี่ดินน้ำลมไฟผสมกันเข้าเยกว่าตายเยองตอบมันตายขาทั้งสี่มันก็เล้ตายหน้าทเพราะมันเป็นดินมันก็ละลายไปเป็นดินหน้าทีเป็นน้าก็เป็นป่าแล้วเป็นไอออกไปเป็นน้ำไฟก็ความอุ่นมันเขาไปตามเรื่องั้มันรมก็นเหมือนกัน มีธาตุเพงใดถ้าตุีมาอาศัยอากาศยินยานึ้นอยู่งในร่างกายก็ทํานองเดียวกันไม่มีอะไรที่มันจะตายไปมีแต่สมมติเท่นั้นจิตเมื่อมันดังสงสัยจิตเมื่อยังไม่้งะจิตยังจิดข้องอยู่เดือกที่เหลือตั้งหมืมอมันแตกทําลายตายอันนี้มันก็ไปก่อมื่ เ้มือนตังกับบ้นานจารจะของยอยู่บ้านมันทางหลังก็งไปสร้างเอาใหม่เดือดไปหอยู่อย่างนั้นอยู่ไม้ถึงอยู่ท้งจิตไม่มีวันมีเวลาที่จะตายแต่มันต้ก่อเพบาะก่อาตใหม่เราชาติใหม่ได้เราไม่จะได้ก่อที่ไหนเพราะจิตใจของเรา ตรรมเป็นนี่นเมื่อกล้กลืมจิตไปไม่อยากไปสู่ที่ชั่วมันก็ไปได้เพราะเราสั้งเอาไว้เรื่องของกรรมชั่วฉะนั้นการมชำระสายสจิตใจจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนจะชำระสาสังเนี่อไปถึงขัง้นบริสุทธิ์สมดุลมตไม่มีทางสงสัย เราจะไปก่อภพก่อชาติอีกไหมจะมีอะไรให้ทุกข์อีกมันหมดปัญหาต้องหลับจิตใจต้องท่านทีที่จะรักษาสางดังนั้นการปฏิบัติตตาอธรรมเกื่ยความสงบสุขเกื่ยความหดีความดีไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นเป็นหน้าที่ของเราจะเอาใจใส่จะตั้งใจรักษา หากยังไม่เห็นโวกไัยในการเกิดการตายคนนั้นยังห่างไกที่จะปฏิบัติใจเทุกตนในยุคสุดบ้ายจะเห็นเพื่อนพึงยในการเกิดการตายเห็นเถืถ่อนพึงภัยในการเป็นอยู่หาสาร ะ, ะหาประโยชน์ไมได้หาความสุขไม่ได้ยื่อวาวตลอดการหล เมนอยู่ตลอดดวลายึงมีโอกา ส, ำา ส, าสทำร่างกายสาริตใจทั้งคนแล้วก็เพิดเพินไปตามสัญญาอมต่างๆฝ่าอันนั้นจะดีอันนี้จะชั่วทานกิงมันไม่มีที่ไหนสุดทาด้วยว่าชาติติทตัขาเกิดมาแล้วจะต้องเป็นทุกข์มีเกิดแบบมทีทุกข์ทุกขเระอะไรทุกข์าหนาวพราร้อนเพราะอาไทย ก็บาดก็เสียความเียทหารมีตัวอย่างเดียวทุกมันจะตามมาไหมยแ็บมันก็เน่อยเจ็บมันก็เหน่อยหิวทหามันก็เหน่บาดเสียมันก็เหนื่อยแค่ตัวเดียวเป็นเรื่องสาคัญที่จะนำทุกภัยข่าเก็บมาให้ใช่ๆเรื่องอื่น เราทําไมจิตยินดีเต็มใจอยากเกิดอีจะหาความสุขในการเกิดนอกจากคนหลงไม่มีคนรู้ทำดุลมาคนรู้ทำไมเต็มใจคนรู้ดยากจนนี้ไปจากความเกิดเป็นเรื่องภาวนาทําความเพียรต่างหน้าต่างตาให้ร้ายที่เหลือปัญหาอะไรเป็นเชื้อที่จะเกิด ที่โจอเมตมล่าสาฝังเลือดทอตาจิตใจจิเคจลื่นหลงเพิดเพลินในกิเลสปัญหารเสี้ยงเรื่องราวต่างๆจะเหียบตัวเข้าไปภายในจะปล่อยสัญญาอารมณ์เหมนั้นตกไปเรือดผฝนตื้ตุบก็มีทายสงบลงนักมีการประบัตปฏิบัติอาถรรพ์ เป็นจเา็นทุกคนที่จะต้องสอตนไม่ใช่เป็นเ่งเล่นเป็นื่องเอาชิงเอาชังทํานเอาชิงเอาชังก็ไม่เห็นไม่เที่งทางที่สารให้การเกิดการตายมันฝุกมนสบายขนาดไหนเราก็พอทราบไา้พาเคยเกิดมาแล้วเคยตายมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเกิดไม่เคยตาย เือาติตุบานก็เคยตายมาแล้วไม่ใช่หรือเกือมาแล้วไม่ใช่หรือตายจากเดกจากเล็กจากหนุจากสาวตายจากความสิความสบายตายจากความทุกความร้อนต่งๆผู้ระยะเวลาความเปลี่ยนตอนของยุของนามหากที่ไม่พิจารณาไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาม่จมีอะไรที่จะ เพ่งเส่งกอวาให้จิตใจไม่รู้เหลื่ยเรื่องทั้งมันแตจิตใจรู้มันจะ ม, มีอะไระเสมอเยอะยุมาหลอกลวงโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างไรอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมันดูกันออกทั่วถึงเพราะปัญญาสานาที่นิตใจมาเข้าใจไปจับนี่คือเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน ที่เจรณาตัวของตัวแถวนั้นก็ทั่ยถึงเต็หมดทั้งของมียนยามมันมียนยามันเหมือนกันเขาอย่างเราเราอย่างนั้นเราอย่างเราเขาอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะนาสงสัยที่จะม่าคอใจเหลงมันอีกทั้งให้ทุกคนก็หมดที่นิจเจรณาตั้งหน้าตั้งตาทำความผาดความเพี้ยน พยายามบรรพบัายาจอยจิตไปตามี่เลสปัญหาที่เมาไทยในเลื่อเถอไปใใจมันสงบใหใจมันรใหใจมันเกิดความรู้ปัญญาตาหาไทยในที่จะปัดความสงสัยสงใจตัวเองให้ข ถ้าหากในพยายารักษาไม่ภาวนาในสชำระตัวเองไม่มีทางีะยื่นยื ada, tomatoes, er ่นไปสถานที่ใดก็ไปเถอะไปจนขาขาดก็มีโอกาสเวลาที่จะวิ่งสงบได้พอวิ่งไปตามถนนยารื่องงตึไปวันนี้ก็ขาดถุนถุกตำลวยเรื่องต้นหน่อยๆเรื่องตนอยากพระภาวนาสว่างมีอ้ามือ ขาดบ้นิด้านี้หน่อยหลายข้างหลายเหงเขาก็อดก่อจนป็นเกก่อิ้นเพรามันเคยเียเคยเดินจนจนเน่เคยไหวถ้ายาวนนป่อยหุดปใจไปตามทันาลเรื่อยไปถ้าหากใตงต่างใจมันเป็นอย่างนั้นนว่าเทน้ว่านักเบือกโอกาสเวลา เาขาวัดเขาวในหยดเป็นภาพเป็นเงือนก็ดีเป็นชลวามารักษาสีนก็ดีซึงควรอย่างยิ่งที่จะกำหนดจิตกำหนดใจของตนให้สงบระงับสลัาสาฝังจิตใจให้งใสหมดงิ้จะมีความสุขคามเจสุขหากนี้คิดถึง่งที่จะสาัง ที่จะหากเกิดเพลียเพื่อนก็จะมีใารที่จะช่วยได้จะยกเกิดเยลียตายอยู่ตลอดเวลาร้องไห้หัวเราะมีอย่างนี้เหมือนวันใดที่จะเห็นความสุขความประเสริฐความหลุดของจิตใจออกไปจากโลกได้การภาวนา การขาดเพียงหูยามจึงเป็นเรื่องสำคัญคที่ทุกท่านควรสนใจอย่าไปคิดว่าเราเป็นข้ารเรายังหมุนยังเงี่ยนอยู่เรายังเด็กยังเล็กอยู่อยดาไปทำโมตมอย่าเชื่อก่อนอย่าไปคิดอย่างนั้นโอกาสเวลาเขาถึงจะจะทํามันเพิ่มได้รีบเรื่องคงงล่อขัคความสงบระงับ ดับที่เหลวปังหาจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไงไง ก, ก็มีในอันเดียวกันมีผิดแตกแต่ต่างกันใครสำละติตใจทัค้คนได้คนนั้นก็ถึงความปุกความสบายคนนั้นก็เห็นความเกษียบยิ่งตสําหลับตรงคนผิดสำลักสาสางไ ม, ม่ด้ก็มีทางฝุกสบายมีอใจจะทุกข์งุกไม่อยู่ตลอดระยะเวลา ั้นขอทุกท่าน ท, ที่ได้สรับรับฟังที่นำไปที่นี้พิจารณาต่างหัวต่างตาหากเพียงเยายามเกี่ยไขจิ 4, 40, 40ตใจสืองวามจิตเตใต่างๆงหนนะให้สงบลงนั้นเราทุกคนสมใจยอย่างนั้ น, นมักผลุนพานสื่อเพื่อแก่างสงบแก่เอาไว้กว่าจะาเป็นสมบัต ของใจตัวเองตานที่ดาวทำอะเจ้เห็นมเขาเป็นนตัวละคอยติดิ่งก้นี้